พุทโธธรรมโมสังโฆจาตินานาหนตัมปิวัตถุโตอัญญะมัญญาวิโยคะวะเอกีภูตัมปนัตถโตติอิมัตสะธรมปริยยะสัอะโทสาทายสมมันเตหิสัจจังธรมโมโสตบุติ นารดีอตมาจะได้แสดงธรรมมีกถาพันรนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องปฏิการเช่เริ่มเฉลองศรัทธาท่านทั้งหลายที่ได้พากันมาในวันนี้วันนี้เป็นวันวิซาขะปุณณีแผ่นเดือนหกเป็นวันคล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าของเรา ได้ประสูติตจาร้และประินิพานตรงในวันเดียวกันเราท่านทั้งหลายได้เสละกิจจการงานบันเลือนความสุขส่วนตนมาเพื่อบำเพ็ญกรณียกิจเือกิจที่สมควรแก่พุทธบริษัททั้งหลายที่เชอพึงกระทำอันองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น กว่าแต่ที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรธรมมาสัมโพธิญาณพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีม า, าตลอดถึงสามสิบทัศคือทานบ า, ารมีสิ้นบารมีเป็นตน้นทานอุปปารมีสิ้นอุปปารมีเป็นตน้นทานปรมัดบารมีสิ้นปรมัดบารมีเป็นต้น การที่พระองค์ได้บำเพ็ญมานั้นเป็นเวลาถึงสีอสงไขยแสนกับในชั้นสุดท้ายที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีพระองค์ได้เปรเกิดเป็นพระเวสสันดรได้ทรงบริจาคปัจจยทานทั้งหลายจนกะทั่งถึงได้บริจาคปุถุตทาน แได้บริจาคพันลยาได้บริจาคทรัพย์สมบัติทั้งสิน้นพระองค์เสด็จไปสู่เข้าวงกฏโดยการที่ประชาชนไม่ชอบว่าพระองค์บริจาคมากเกินไปต่อมาภายหลังพระองค์ก็ได้กลับมาครองราชสมบัติได้อธิทานเพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จ ขึ้นไปอยู่ในชั้นดุสิตเมื่อพระองค์ไปบังเกิดเป็นเทพพระบุตรอยู่ชั้นดุสิตแล้วพวกเทวดาทั้งหลายอาราธนาให้พระองค์มาบังเกิดในโลกมนุษย์พระองค์ก็ได้พิจารณาถึงว่าบัดนี้สมควรแก่การที่เราจะลงไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วพระองคจึงได้เสด็จลงมาจากชั้นดุสิต เข้าสู่ขับโพธรของนางสิริมหามายาผู้ซึ่งเป็นพระมาเหสีของพระเจ้าสิริสุโทโธธนะในการนั้นนางิมายาก็ได้ทรงนนมิรเห็นช้างเผือกมาจากภูเขาสุนเนรุราชอันที่เป็นภูเขาเงินและภูเขาทอง ลอยมาที่อากาศเข้าสู่คับโภทอนของพระองค์ต่อมาเมื่อได้ทรงอยู่ในพระคันสิบเดือนแล้วพระองค์ก็ได้ประสูรออกจากพระคันก็คือวันนี้เป็นวันวิสาขเพ็ญเดือนหกวันนี้เมื่อพระองค์ประสูดออกมาแล้วพระองค์ก็ได้มีปุริสารักษณะครบถ้วนบริบูรณ์ คือพระองค์มีลายมือเป็นกงจักรแล้วก็มีพระมีพระทนสี่สิบเซแล้วก็มีระมีผิวนั้นผงทุลีตกถูกไม่ได้ค้างคาอยู่ในผิวหนังตลอดถึงพระบาทของพระองค์ก็มีกงจักรอย่างนี้เป็นต้นพวกพรามทั้งหลายเทพระ เจ้าสุดโทธนะผู้ที่เป็นพระราชาจึงได้เชิญพรามทั้งหลายร้อยแปดที่ทรงคุณวุธมาทำนายทายทักว่าพระโอรสนี้จะเป็นดังเลือพรามทั้งหลายก็พากันยกขึ้นมาสองนิ้วด้วยกันทั้งนั้นว่าถ้าหากว่าครองราชสมบัติจะได้เป็นเจ้าจักรพรรด ถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกยังมีพรามคนหนึ่งเชื่อว่าโกนธัญญพรามท่านได้ยกขึ้นมานิ้วเดียวว่าพระโอรสนี้จะเป็นศาสดาเอกในโลกหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการต่อมานั้นพระเจ้าสิริสุทธโธธนะมีพระสหาย เชื่อว่าเลือสีกับิละเลือสีนั้นไม่ได้สาบขาวว่าพระเจ้าแผ่นดินมีพระราชโอรสก็สเสด็จมาเยี่ยมทันใดนั้นพระเจ้าสุดโทธนก็อุ้มลูกอุ้มพระราชโอรสเพื่อที่จะไปนมัสการท่านพระฤือสีท่านพระฤือสีมองเห็นชัดเจนว่าอ๋อนี่เป็นองค์สัพพันยูในอนาคต หากให้เด็กนี้มาไหว้เราหัวเราจะแตกเจ็ดเสียงเป็นแน่แล้วจึงได้รีบบลุพ ร, ราชเจ้อรรถนั้นวางไว้บนศีรษะพวกพระญาติพระวง์ต่างๆก็พากันฉมนสนเทพระดาบทจึงได้กล่าวว่าเออในการนี้พระโอรสถนี้ใครๆจับให้กราบไหว้จะไปรับการกราบไหว้ไม่ได้ มีแต่คนอื่นเท่านั้นที่จะกราบไหว้ถ้าใครให้พระโอรสนี้กราบไหว้ผุนนั้นจะหัวสีสะแตกเจ็ดเสียงแน่นอนเพราะว่าองค์พระราชโอรสนี้คือหน่อสัพพัญญูที่จะได้ตัาโรเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระดาบทนั้นก็ลากลับพระเจ้าแผ่นดินจึงได้ถาม พวกราชาครูต่างๆหรือพวกพรามปรโรหิตว่าเหตุดังเลอที่จะทำให้พระราชโอรสของเราออกบวชพวกพรามก็ทูลถวายว่าเทวทูตทั้งสี่คือคนเกิดคนแก่คนเจ็บและคนตายจะเป็นหนทางให้พระราชโอรสนี้เบื่อนหน่ายลงบัตแล้วก็จะออกบวช เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบเช่นนั้นจึงได้สร้างปราสาทขึ้นสำหลังหลังหนึ่งเพื่อฤดูร้อนหลังหนึ่งเพื่อฤดูฝนหลังหนึ่งเพื่อฤดูหนาว่าให้พระราชโอรสนั้นอยู่อย่างสุสขอย่างสบายนับมาตั้งแต่อุบัติบางเกิดขึ้นจนกระทั่งโตขึ้นมาเมื่อโตขึ้นมาแล้ว พระเจ้าแผ่นดินก็ได้พยายามที่จะกีดกันคนแอาแก่คนเจ็บคนตายทั้งปวงให้หนีออกไปให้ห่างไกลไม่ให้พระราชโอรสเห็นเมื่อพระราชโอรสมีอายุได้สิบหกปีควรมีมาเหสีได้แล้วว่าพระองค์ก็จ้งได้ขอนางพิมพายาโสทลาผู้ที่อยู่นครเทวทหารนน ให้มาเป็นพระไม่เหสีซึ่งพระองค์เมืเ่อเจริญวัยแล้วก็ได้ทร <c oughs> งพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะเป็นต้นเนี่ยทรงพระนามว่าสิทธัตถะพระไม่เหสีทรงพระนามว่าทิมพยยโสทราได้ครองราชสมบัติอยู่ตั้งแต่อายุสิบหกปีจนกระทั่งถึงอายุยี่สิบเก้าปีก็เป็นเวลานานพอสมควรนั้น ในในเวลาเย็นวันหนึ่งพระองค์ได้โดยสารคือให้นายสารธีส์พารถไปเที่ยวอุทยานในคราวนั้นเทวทูตคือทูตแห่งเทพทั้งหลายที่ต้องการจะให้พระองค์นั้นได้ออกบวชจึงได้เนรมิตคนแก่เนรมิตคนกําลังเจ็บลองให้เนรมิตคนตายที่เน่าเปื่อยแล้วก็เนรมิต พระภิกษุรงสินเมื่อพระองค์เสด็จวันอุทยานวันนั้นจึงได้เห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเมื่อเห็นแล้วก็มาพิจารณาว่าอ๋อตัวเราก็ต้องแก่ต้องตายเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันเราหากเป็นพระมหากาศสัตย์อยู่เช่นนี้ไหนเลยจะแก้ความเกิด แ, แก่เจ็บตายได้ เสร็จรถพระไทยแล้วก็ให้นายสารถีขับรถกลับมายังพระราชวังเมื่อมาถึงพระราชวังก็ค่ำคืนวันนั้นนางพิมพายโสธลาก็ได้ประสูตรพระราชโอรถสขึ้นมามองเห็นแหมสวยงามเหลือเกินอันนี้คงเป็นห่วงอันใหญ่หลวงแกเราแน่แท้พระองค์จึงได้ทรงตั้งชื่อพระราชโตรถสวราหุน ลาหุ่นนั้นแพลว่าห่วงมัดแล้วพระองค์ก็เสด็จออกไปดูนางสนมที่มีประมาณสองพันคนที่มาคายบำรุงบรํรเลอร์กำลังนอนหลับบางคนก็เปือยกายบางคนก็น้ําลายไหลาบางค น, นพิมพ์ินก็อยู่ที่นักกันและบางคนก็แหลบลิ้นปิ้นตาละเมอเพ้อไปต่างๆไม่เห็นเช่นนั้น พระองค์พิจารณาดูอ๋อนี่คือปราชาผีดิบเออเรานี่มาหลงอยู่ในที่นี้เป็นเวลาอันยาวนานค่ำคืนวันนี้เราก็จะต้องออกบวชว่าแล้วพระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยเรียกนายชนะนัมมะกันทกะอัศวะมาเพื่อที่จะเป็นพาหนะในค่ำคืนวันนั้นก็เป็นเวลาเพนเดือนหงาย เมื่อพระองค์ขึ้นมากันทกะอัศวะนั่นแล้วประตูทวานแห่งพระราชวังก็ได้เปิดออกมาโดยฤทธิ์แห่งเทพแล้วพระองค์ก็ขึ้นมากันทกะวิ่งมาในกลางทางทันใดนั้นก็มีมันสวัสดีได้มาคอยดักขวางทางบอกว่าดูก่อนสิทธะอย่าไปอย่าไปไว้อีกสักไม่กี่วัน ท่านก็จะได้เป็นเจ้าจักระพัดแล้วจะไปเสียทำไมพระองค์จึงได้ตรัสแกมารบอกว่าน้ำลายที่เราถมออกไปแล้วนั้นเราจะไม่เอามันกลับคืนมากินอีกเป็นอนขาดไม่ทรงใยดีแล้วก็ทรงขับมากันตะกะัศวะต่อไปพญามารก็จึงได้จองเวรว่าเอาเถอะ เราจะจองเวรท่านต่อไปในที่สุดเมื่อถึงแม่น้ำอโนมาณทีแล้วพระองค์ก็ได้ทรงตัดพระเกศาลมต่างแท่านในชั้นสวรรค์เขาก็ได้มารับพระเกศาเหล่านี้ไปแล้วเอาไปทาเป็นพระเจดีย์อยู่บนชั้นสวรรค์ที่เรียกว่าเกตแก้วจุลามมนีอยู่ในชั้นดาวดึงนนทแล้วพระองค์ก็จึงได้อ่า เสียสละเครื่องแต่งตัวให้แก่นายชนะให้นำกลับคืนไปแล้วพระพรหมก็ได้นำผ้ากาสาวพัตเ์คือผ้าเหลืองมาถวายแก่พระองค์ได้ทรงบัรพชาในวันนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จสัญจรไปเจอพระเจ้าพิมพิสารอยู่ที่ใน น, ค, นครราชเกื้ พระเจ้าพิมพิสารเห็นเขาก็ตกกระใจว่าเหตุเช่ไหนท่านสิท ธ, ธัตถะจยงบวชมาซส้นแล้วอย่างนี้เออเจ้าไหนเลยท่านจงมาปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินร่วมกันเถิดเราจะแบ่งแหวนแคว้นให้คนละครึ่งกันพระองค์จึงได้ตอบบอกว่าเราไม่ต้องการสมบัติทั้งปวงเราจะหาวิโมกขธรรมคือทาเป็นเครื่อง พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องการที่จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพระเจ้าพิมพิสานได้ฟังเช่นั้นก็ขอพรบอกว่าทหาพระองค์ได้ตัดสู้แล้วก็จองมาสอนข้าพระองค์เป็นคนแรกเถิดว่าแล้วพระอาพร ะ, ะพระองค์ก็จึงได้เสเด็ดต้นจรไปยังที่แม่น้ำเนรัญชาลาแล้วก็ข้ามแม่น้ำเนรัญชาลาไปถึง ฟังคือที่พุทธคยาในปัจจุบันนี้พระองค์ได้ทรงใช้สถานที่แห่งนี้เป็นเวลาหกปีนับแต่เทพระองค์ได้บำเพ็ญทุกระกิริยานด้วยประการต่างๆมีการอดอาหารเป็นต้นเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึงหกปีในที่สุดร่างกายของพระองค์ก็ทนไม่ไหวแห่ล้มลุกคลุกลาน ในวันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จต้นจรไปในทุ่งนาในท้องทุ่งแต่เมื่อเดินไม่พ้นเพราะว่าแดดมันกล้าพระองค์ก็เลยล้มลงสลบในกลางทุ่งนานั้นในทันใดนั้นก็มีเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งได้เดินมาถึงเข้าเอว่าใครหนอมันนอนจวนเจียนจะตายอยู่เช่นนี้จึงได้นํานมนั้น แใส่เข้าไปในปากน้ำนมก็ได้ไหลซาบซ่านก็ไปสู่ร่างกายของพระ อ, องค์ก็ส่งฟืนคืนมาเมื่อพระ อ, องค์ส่งฟืนคืนมาพิจารณาเห็นว่าแต่การที่เราทรมานกายนี้มันหาได้ประโยชน์อันใดไม่เหมือนกันกับว่าเราทำตึงไปทันใดนั้น พระเอเทวดาก็จึงได้นำพินมาดีดให้ฟังพินสายหนึ่งนั้นตึงเกินไปฟังเสจยงก็ไม่เพลาะสายหนึ่งนั้นนหย่อนเกินเออสายหนึ่งนั้นตึงเกินไปสีไปสีมาสายกขาดสายหนึ่งนั้นมันหย่อนเกินไปเสียงมันก็ไม่เพลาะอีกสายหนึ่งพอดีพอดีเสียงก็เพราะก็เป็นเหตุให้พระองค์ได้สติว่าเรานี่มันทำมากเกินไป เมื่อทำเย่นนี้ไม่สามารถที่จะได้ตัดสิรูเราก็จะต้องจําเป็นจะต้องเดินสายกลางพระองค์เย็นได้หวนมาบริโภคอาหารดังเดิมทําร่างกายของพระองค์ให้เป็นกลางดังเดิมปัญดในครั้งนั้นปัญจวคีทั้งห้าคือท่านพระัญญาโกทัญญาวปัปปาพัทยามหานามอาอัสเิ ผู้ที่เป็นพราหมณ์ที่ได้ทักนาทํานายไทยทักพระองค์ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มาคอยปฏิบัติวัดภาแก่พระองค์หนักหนาแต่เมื่อเห็นว่าพระองค์เวียนมาเพื่อความมักมากมากินข้าวกินปลาซะแล้วเช่นนี้คงจะไม่ได้ตัดสรู้เป็นแน่เขาจึงได้หนีจากพระองค์ไปพระองค์ก็เลยได้ความสงบในเช้าวันนั้นนาง สุดชดาก็ได้นำเข้ามาทุบายญาติจานวนสี่สิบเก้าก้อนเอามาถวายเพราะว่านางได้บ่นบาลแก่พระพุทธพระโพธิคยานั้นว่าถ้าเราได้ลูกชายแล้วเราจะได้ทําพลีกรรมให้แก่พระโพนี้เมื่อนางได้บ่นบาลเช่นนั้นนางก็ได้ลูกชายสมความประสงค์นางจะได้ทำเข้ามาทุบายญาติ ซึ่งอ ร, อร่อยที่สุดหรือว่าเป็นอาหารยอดที่สุดในสมัยนั้นแล้วก็ปั้นมาได้สี่สิบเก้าก้อนนำเอามาเพื่อที่จะมาถวายพระามาถวายเทวดาที่นั่นที่ได้พลนบนไว้ท่านใดนั้นพระองค์พระพุทธองค์ของเรานี้ก็ได้มานั่งอยู่ที่นั่นในเวลาเช้า ส่วนนางสุชดาเมื่อเห็นพระองค์เข้าก็นึกว่าโอ้เทวดาเนี่จำแรงตัวมารับของเราแน่แท้จึงได้น้อมถาดทองคำถวายแก่พระองค์ไปในเวลาครั้งนั้นพระองค์ก็รับเอาถาดทองคำนั้นแล้วก็มองหน้านางสุชดานางสุดชดาก็พยักว่าได้ถวายหมดทั้งเข้ามาทุกใบญาติและถาดทองคำ พระองค์ได้สเสวยเข้ามาท่กปลายักษนั้นสี่สิบเก้าคำแล้วพระองค์ก็จึงได้ไปที่แม่น้ำเนรัญชาลาเพื่อที่จะได้ลอยถาดเมื่อไปถึงแล้วพระองค์กทิฐานว่าหากเราจะได้ตัสารู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงแล้วไซขอให้ถาดนี้ลอยขึ้นเหนือน้ำเถิดถาดก็เหมือนมีเชวิต์พอพระองค์ปล่อยไปถาดก็ลอยขึ้นเหนือน้าแล้วก็จมดิ่งลงไป จอมดิ่งลงไปถึงบาดาลหน้าคลาดมีพญานาคตนหนึ่งนั่นเฝ้าถาดมาสามใบแล้วใบนี้ใบที่สี่เพราะว่าถาดหนึ่งของพระเจ้ากุกุสันโธถาดที่สองพระเจ้ากโกนาคมะโนถาดที่สามของพระเจ้ากัตสปวมาถาดที่สี่นี่ก็ของพระพุทธเจ้าโคตโมอา๋า เอเรานี้เมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าตัดไปองคหนึ่งแหมวันนี้มาตัดไปอีกองคหนึ่งแล้วพญานาคเพราะว่านอนจนกระทั่งจับหนึ่งทั้งได้ตื่นทีหนึ่งในอดีตชาติพญานาคนั้นเกิดในาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเรียกว่ามีพระห้าร้อยเนน้อยองค์เดียววนนยันหนึ่งก็ไม่ได้ยุดคืนหนึ่งก็ไม่ได้ยุด เดี๋ยวองค์นั่นใช่เดี๋ยวองค์นี้ใช้เน้นก็ขยันหน้าดูจะให้ตักน้ําก็เอาตบน้ําก็เอาซักผ้าก็าเอาทําอะไรก็เอาทีนี้ห้าร้อยใช้องค์เดียวก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เลยอธิษฐานว่าเกิดชนาฉันใดขอให้ใดนอนใชให้มันหมดเป็นกลับเลยแล้วก็เลยมาเกิดเป็นพญา น, นาคอยู่ที่แม่น้ำเนรัญชลานั่นแหละว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดมาก็ตื่นมาเทนึงอย่างนี้ หลังจากนั้นพระองค์ก็จึงได้กลับคืนไปยังป่าทีาเรียกว่าในป่าละเมะแห่งนั้นมีพรามคนหนึ่งที่ว่าโสติยะเมื่อเห็นพระองค์เข้าก็เลื่อมใสถวายหยาคามาแปดกำมือพระองค์ได้อยาคานั้นแล้วก็เอามาปูลาดในใต้ต้นโพนั้นเมื่อพระอัฏฐเมื่อ ท่ำลงไปแล้วพระองค์ก็เอาผ้าปูบนยา้าคานั้นแล้วพระองค์ก็ทรงนั่งสมาธิแต่แล้วก็พระองค์ก็ได้อธิษฐานว่าเนื้อก็ดีหนังก็ดีจะเป็นอะไรก็ดีของร่างกายกระดูกก็ดีมันจะหลุดออกไปเป็นชิ้นชิ้นมันจะต้องสน้าเลือดมันจะเหือดแห้งไปหัวกระโหลกมันจะหลุดจากกายไป ก็ไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดเมื่อพระองค์ตั้งสัตญาอธิษฐานเช่นนั้นแล้วถ้าหาก็ไม่ได้ตัดสรู้จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้แล้วพวกพญามารสวัสดีที่เคยอาคาดจองเวรกับพระองค์ก็มาแล้วลอยมาทางอากาศขับช้างนาลาคีรีมเามฆนาถึงก็ซัดหอกสัดดาบใส่พระองค์แต่ว่าหอกดาบเหล่านั้น ก็ได้กลับกลายไปเป็นดอกไม้บูชาพระองค์ซะจนเกลี้ยงหมดในที่สุดพญามารก็นั่งร้องไห้ตัวเราแพ้พระสิทธถฐานแล้วในปฐมมยามนั้นพระองค์ได้แต่สำเร็จปุเพนิวาสานุสติญาณคือสามารถจระึกชาติถนหลังได้ในมัตถิมยยามนั้น พระองค์ได้สําเร็จจตูปาตยานคือดวงตาทิพย์รู้จักจุดติและโอบัติเกิดมาเกิดมาจากไหนตายแล้วไปตายแล้วไปเกิดที่ไหนในปัจฉิมยานพระองค์ได้สําเร็จเป็นอาสวัคคัยายานคือกําจัดกิเลสออกไปจากจิตของพระองค์โดยสิ้นเชิงในก่อนรุ่งอรุณในวันนั้นแล้วพระองค์ก็ได้ตัจรู้พระอนุตตระสัมมาสัมโพธยานเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลก เมื่อพระองค์ได้ตัดสรุแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นว่าโอ้โหคนทั้งหลายนี่กิเลสนะปัญญายับธรรมะที่เราตัดสรุละเอียดเหลือเกินทำยังไงทึ้งแยนได้ธรรมะเหล่านี้ เ, เข้าไปถึงจิตใจประชาชนพระองค์ก็ขวนขวายน้อยไม่เทศดีกว่าพเทศลงไปกว่าไรไปยอด ทันใดนั้นพรหมก็เกิดโกลาหนอนลมานว่าพระพุทธเจ้าจะขวนขวายน้อยเสร็จแล้วลงมาจากชั้นสวรรค์มาอาราธนาพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าขวัขวายน้อยเลยจงเสเทศนาสั่งสอนหมูสัตว์ทั้งหลายเถิดเมื่อพระพุทธเจ้าได้ฟังคำมาพรหมอาราธนาเช่นนั้นก็พิจารณาเห็นว่าอ๋อสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี้นั่นจะต้องมี คนดีบ้างคนชั่วบ้างคนอยู่ต่ำบ้างคนอยู่สูงบ้างเปรียบเหมือนดอกบัวสีเหลาๆหนึงก็อยู่ใต้น้ำอยู่กรเปลือกอยู่เปลือกตม อ, อยู่เปลือกตมก็เป็นทักษาแห่งปลาและเต่า ง, งอกเงยขึ้นไม่ได้พวกนี้โปรดไม่ได้คือคนต่ำช้าสามานมีคนยมพวกหนึ่งเหมือนดอกบัวอยู่กลางน้ำ เ, เทศนาไปเขาก็ยุาปฏิบัติไป ไม่ชาตินี้ก็ได้ไม่ชาตินี้สําเร็จชาติหน้าเขาก็จะได้สําเร็จต่อไปเปรียบมันดอกบัวกลางเนี่ยดอกบัวเสมอน้ําก็เป็นพูทที่มีบุญเมตตาสนาได้ฟังทำคําสั่งสอนแล้วตั้งใจปฏิบัติไปเดือนบ้างปีบ้างไม่ละความพยายามก็จะได้สําเร็จเป็นอริยะบุคคลเอ่เหมือนกับดอกบัวอยู่เสมอนาม้า เหมือนกับดอกบัวที่พ้นไปแล้วจากน้าก็คือคนที่มีบุญมีวัฒนาสูงสามารถที่จะสามารถที่จะฟังธรรมเทศนาของพระองค์แล้วก็จะได้ตัดจาร้โดยพลันพระองค์พิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วพระองค์ก็จึงได้อารับอาราธนาแก่พร้อมบอกว่าไม่ต้องห่วงเราจะเทศนาสั่งสอนแก่มาหาชนแล้ว เพราะฉะนั้นพวกเราเวลาที่พระท่านจะเทศจึงต้องพรหมมาจะโลกาธิปฏิส้มปฏิกัดอันชฉลี่อันทิวลังอญยะเจสัตท์สัตต า, าปรชศาชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังมะยังคือเป็นคำอาราธนาของท่านพระพรหมเราให้เกียรติแก่พระพรหมเมื่อพระพุทธเจ้าพิจารณาเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็จึงได้หวนพิจารณาไปถึงว่า แต่เมื่อพระองค์ได้ตัดสร้นั้นพระองค์ยังไม่ได้โปรดใครก่อนพระองค์ได้เสวยมุติสุขอยู่เจ็ดสัปดาห์ในเจ็ดสัปดาห์ก็คือสี่สิบเก้าวันนั้นพระองค์ไม่ได้ฉันข้าวฉันน้ำเลยในสัปดาห์หนึ่งอยู่ที่ต้นโพสัปดาห์สองอยู่ที่ต้นเกตสัปดาห์สามอยู่ที่ต้นไซสัปดาห์สี่อยู่ที่สมุตยเลนคือต้นจิกสัปดาห์ที่ห้า พระองค์อยู่ที่รัตนคลลเจดีสั ป, ปดาที่อกพระองค์อยู่อั ช, ชาบาล น, นิโคตเป็นตน้นในเจ็ดสั ป, ปดาก็รวมสี่สิบเก้าวันแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็จึงได้พิจารณาว่าเราจะไปโปรตไครอรอพระองค์กับพิจารณาถึงอ阿拉าาดาบทและอุทกกาดาบทดาบททั้งสองนั้น พระองค์ได้เคยไปเรียนด้วยแล้วก็ได้สาเร็จเพียงแค่ฌานไม่ได้สาเร็จให้สูงไปกว่านั้นเมื่อพระองค์พิจารณาว่าเราจะไปโปรดดาบทั้งสองอพิจารณ า, าแล้วกันดาบทั้งสองได้สิ้นชีพคือมรณนะไปสมอวานนี้เสร็แล้วพระองค์จึงได้ทรงอุทานในใจว่าโอ้โหเสียหาย เรียกว่าชิบหายจากคุณอันใหญ่เสียแล้วเสียได้หลังจากนั้นพระองค์ก็จึงจะไปโปรดท่านปัญจวัคคีทั้งห้าในกลางหนทางนั้นพระองค์ก็ได้ประทับอยู่ใต้โคนต้นไม้ในขณะนั้นก็มีพ่อคาสองคนคนหนึ่งชื่อว่าตาปุษกะคนที่สงชื่อว่าพันลิกะทั้งสองคนนั้นก็ได้เอาสตุก้อนสตูผงมาถวายแก่พระองค์เป็นครั้งแรกในวันนั้นที่พระองค์จะเสวยอีก หลังจากพระองค์อดมาสี่สิบเก้าวันในทันใดนั้นพระองค์ก็คิดถึงว่าบาตรของเราหายไปไหนพวกเท้าจโตะโลกกบาลทั้งสี่คือกษัตริย์ที่เป็นเทพทั้งสี่ก็เลยเอาบาตรมาถวายคนละองค์ละองะองละบาตรเมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานบาตรสีใบให้เป็นใบเดียวก็บาตรก็เลยมีตะเข็บเพราะฉะนั้นบาตรของเราที่ทาอยู่ทุกวันนี้ต้องมีสี่ตะเข็บ เพื่อที่จะให้เป็นอันว่าอนุสร์ของพระเจ้าแผ่นดินเทพศีอาองนั้นแล้วพระองค์ก็รับสตูก้อนสตูผงแกตาปุษกและพันเลกะตะปุษกาพันเลกก็ทูลขอพระเกษาเพื่อที่จะนำไปประดิษฐานในสิงขาเขาสิงขรพระพุทธเจ้าจึงได้ประทานเส้นพระเกษาให้แกตะปุษสาพันเลกานั่น ไว้แปดเส้นตะพุทธาพันลิกานั้นก็จึงได้นาเส้นพระเกศาไปยังที่สิงขอนเขาเรียกว่ า, าสิงครังณมามีหังเขาสิงขอนก็คือประเทศพม่าในปัจจุบันในขาวครั้งนั้นตาพุทธาพันลิกาทั้งสองนั้นก็ได้พากันโดยสารเอาเรือสำเภาไปค้าขาย ค้าขายที่ประเทศพม่าแล้วก็ได้นําพระเกศาถวายแก่พระเจ้าแผ่นดินประเทศพมา่าพระเจ้าแผ่นดินก็ดีใจได้สร้างนแต่พระเจดีขึ้นมาชื่อว่าเจดีชาวเวดากองที่เราเรียกว่าเจดีชาวเวดากองเมืองย่างกุ้งแต่ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเขาเรียกว่าเจดีทองคำ แล้วก็ตาพุสสาพันณิกาก็เข้าไปในป่าไปเก็บเอางาช้างเพราะว่าตะขาบมันกินช้างตาขานั้นมันใหญ่กินช้างจนกระทั่งช้างกินช้างไปหลายตัวแล้วมันก็เอางามากองไว้ตาพุสสาพันลิกาก็ช่วยกันขนงาใส่เรือสำเภาแล้วตาพุสสาพณนลิกะก็รีบกลับเมื่อตาขาบมาเห็นงาช้างหายไปมันก็เฉวมันจึงได้ลอยน้าไล่ตามเรือสำเภาไป ทีนี้ตะขาบมันเร็วกว่าเรือสำเภาใกล้ต่อที่จะทันถ้าหากว่ามันทันมันก็ความเรือสำเภากินคนหมดแต่ว่าพอมันไปถึงนั้นมันก็มีปูใหญ่อยู่ในทะเลนั้นปูมันะปูมันใหญ่ขนาดไหนเรือสำเภาแล่นผ่านก้ามมันไปได้แต่ว่าตะขาบใหญ่ขนาดไหนตะขาบแล่นผ่านก้ามมันไปไม่ได้ไปละก้ามปู ดูก็เลยงับกระขาดตาขาดสองท่อนตายขาที่ตะพุทธะพันลิกาก็กลับประเทศอินเดียอย่างสบายแล้วก็ไปขายเป็นมหาเศรษฐีพระพุทธเจ้ารเทาให้เส้นพระเกศาแก่ตะพุทสะพันลิกะแล้วตะพุทธะพันลิกาก็เลยเจงได้เดินทางไปดังกล่าวแล้วพระองค์จึงเสด็จไปยังป่าอิสีปตนมฤุกขายาวันแขวงเมืองพารานาสี เพื่อที่จะไปโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าในที่สุดพระองค์ก็ทรงทรมานปัญจวัคคีทั้งห้าให้หายพยศแล้วพระองค์ก็เทศนาทรมาจากกัปวัตตนสูตรที่เรียกว่าปฐมเทศนานั้นจนกระทั่งปัญจวัคคีทั้งห้าได้สําเร็จเป็นอริยะบุคคลแล้วพระองค์ก็ให้พระปัญจวัคคีทั้งห้าบรรพชาแล้วพระองค์ก็แสดงอนัตตลกนสตร จนกระทั่งปัญจวัคคีทั้งห้าได้สำเร็จเป็นพระอราหันต์แล้วก็ได้จำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤรทกายวันนั้นในคราวนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อวายศะมีประสาทสามหลังเช่นพระพุทธเจ้าเหมือนกันรวยนับอะไรนับไม่ท้วนมีนางนับสนมมากมายแต่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้ว เพราะมาเห็นพวกนางบําเรอเหล่านั้นพากันนอนหลับไหลผ้าผ่อนลุดบ้างน้ํำลายหลายบ้างแหลบขึ้นติ่นตาจึงได้หนีจากปราสาทนั้นบ่นมาบอกว่าที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายพระพุทธเจ้าได้ยินเข้าพระองค์จึงได้ทรงาจึงได้ตรัสว่าเนีที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายมาสิเราจะแสดงทำให้ท่านฟัง แล้วท่านยศสากุลบุตรก็ได้เข่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงอนุปพีคาถาราเริยสตีทําให้พระยสทําให้ยศสากุลามุตรได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาได้ทรงมาได้บรรพชากับพระพุทธเจ้าสียหายของพระยศกนตเมห้าสิสีคนก็เป็นเศรษฐีทั้งเซ้นเรียนจบไตรแพททั้งเซ่นได้ยินข่าวว่าพระยศได้บวชเสแล้ว ก็จึงได้พากันนาเสียสล่ะสมบัติทั้งพวงแล้วก็มาบวชกับพระยศเป็นต้นเมื่อแล้วพระพุทธเจ้าก็บวชให้บวชทั้งห้าสิบสี่คนแล้วก็เสด็จพระองค์ก็ได้ทรงแสดงอรยอนุภูมิถาและอรียสตี ทั้งหมดก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์จำพรรษาอยู่ป่าอิสิปตนะมรุกษายวันทั้งหมดหกสิบหกสิบเอ็ดทั้งพระองค์เมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ก็จึงได้ประกาศแก่สาวกว่าถันทั้งหลายจงไปคนละทิศละทิศละองเถิดไปโปรดกุลบุตรกุลธิดาและประชาชนทั้งหลายให้เดบอปผาธรรมตามที่ตนได้ความรู้จากพระองค์แล้ว สาวกต่างๆก็ได้พากันฉันจอนออกไปในทิศทางช่วยพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาส่วนพระองค์นั้นก็ได้สั่งคำของพระเจ้าพิมพีสารว่าจะต้องไปโปรดพระเจ้าพิมพีสารพระพุทธองค์จึงได้เสด็จกลับแต่ยัางรุเวลาเสนานิคมเลยไปและแต่ว่าก่อนแต่ที่จะเสด็นแดงพระธรรมเทศนานั้น เ อ, อพระเออแก่ท่านพระเจ้าพิมพิสารนั่นพระองค์ก็พิจารณาเห็นว่าฉดินทั้งพันสามนี่ประชาชนชาวนาครราชสีกลื้อเลื่อมใสจึงได้ไปทรมานฉดินทั้งพันสามนั้นให้เลื่อมใสการทรมานของพระองค์นั้นในวันหนึ่งน้ํำท่วมเมื่อน้ำท่วมก็เหมือนกันอ <c oughs> ่น้ําท่วมกรุงเทพแต่ว่ามันมากกว่าท่วมกรุงเทพเพราะว่ามันท่วมหลังคา พวกชะดินทั้งพันสามนีนกว่าพระพุทธเจ้าตายซะแล้วเพราะว่าไม่มีเรือพวกชะดินมีเรือก็ขึ้นเรือไปพายเรือไปดูที่ไหนได้พระองค์ทรงแหวกน้ำเดินจงกลมสบายอยู่ในต้อยทองน้ำซะแล้วเกิดความเลื่อมใสก็าพากันบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงอาทิตตปริยายสุร ทำให้ชาดินทั้งพันสามนั้นได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์แล้วพระองค์ก็พาชาดินทั้งพันสามเสด็จไปนครราชเล ะ, ะ, เ, ละเพื่อที่จะได้โปรดเพื่อที่จะได้โปรด พ, พ, รพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้เสด็จดับข่าวแล้วก็พาบริวารมาทั้งหมดสิบสองนาหุดด้วยกันแล้วพระเอก็มาเพื่อที่จะฟังธรรมเทศนาะ ณลัทธิวันแต่ว่าเมื่อมาถึงแล้วพวกประชาชนก็พากันสงสัยสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกชาดินหรือว่าชาดินเป็นสาวกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ว่าราจิตใจของมนุษย์เหล่านั้นแล้วเอก็ขยับตาไปยังพวกชาดินชาดินก็เลยพากันเหาะหนึ่งลำตาลกล้องลำตาลถึงเจ็ดลำตาลแล้วก็ลงมากราบพระพุทธเจ้าประชาชนก็ร้องโอโหน่าอัศจรรย์นหนอ พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปพีคาถาอาริรยสัตประชาชนก็พากันได้สำเร็จเป็นอริยะบุคคลสิบเอ็ดนาหุดเหลือหนึ่งนาหุดถึงซึ่งพระใจสรณาคมพระเจ้าพิมพีสารก็ได้สำเร็จเป็นพระโซดาบันแล้วก็ทรงถวายวัดเป็นวัดแรกคือวัดเวรวันกลันทกะมีวาปะเตทานหลังจากนั้นพระองค์ ก็สเสด็จไปอยู่นครสาวัฏถีที่อนาถบินิกาเสตฐีได้ถวายซึ่งอนาถบินิกาเสตฐีได้สรละรัพย์ถึง450ล้านจ้างวัดถวายแก่พระพุทธเจ้าอันมีนามอันมีนามว่าวัดพระเชษตวันจากนั้นพระองค์ก็ได้แนะนำตั้งสอนประชาชนคนทั้งหลายทั่วสากนชมพูทวีเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ถึงสี่สิบห้าพันสาแล้วพระองค์ก็เสด็จไปปรินิพานหน้าที่เมืองกุสินลาอันพระเจ้ามัลละประศัตรทั้งหลาย เ, เป็นผู้ปกครองอยู่เมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วนั้นร่างกายร่างกายของพระองค์นั้นได้ถูกเขาผ่านด้วยไฟอันเนป็นพิปล่างกายของพระองค์ก็กลับกลายเป็นพระบรมส า, ารีริกธาตุ อย่างโตที่สุดเท่ามาเล็ดทัวเขียวอย่างเล็กที่สุดเท่ามาเล็ดงาเพ เ, เจ้าแผ่นดินต่างๆที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็พากันสงสารมาขอบอกว่าขอแบ่งพระบรมธาตุด้วยเถิดเจ้ามันละกษัตริย์ไม่ยอมเพราะว่าพระพุทธเจ้า ม, มรินิพพานที่เมืองเราชันไหนเลยเราจะให้คนอื่นได้ เนี่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าแผ่นดินหกแปดเจ็ดหัวเมืองทั้งหมดจึงได้ยกครีทาทับมาถึงก็ล้อเมืองกูสินาราที่จะเข้าโจมตีแย่งเอาพระธาตุแต่ว่าอาสัยโทนพรามพูดที่มีสติและปัญญาจึงได้ประกาศแก่กษัตริย์ทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจะพากันมารบราข้าฟันด้วยเหตุแห่งพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้านั้นหาสมควรไม่สมควรที่พวกเราจะได้พากันแบ่งกันให้ถูกต้องก็เป็นอันว่าโทนพราหมณ์ได้ประกาศแก่กษัตริย์ทุกคนได้ก็ได้ยอมลงไปแล้วก็ได้เท้ า, ายให้แก่กษัตริย์ทุกองคองครัตนานธนานธนานไปส่วนโทนพราหมณ์ก็ขีโกลบเห็นพระเขียวแก้ว จึงได้สอนพกกระ เ, เ, เกี้ยวแก้วใส่มวยผมเทวดาก็รู้อีกแหละก็เลยมาขโมยพระเกี้ยวแก้วเอาไปที่ชั้นดาวดึงไปทำพระพะมหาเจดีย์ไว้บนชั้นดาวดึงนั่นแล้วทีนี้หลังจากนั้นมาพระมหากัตสปะก็เลยได้รวบรวมเอาพระาธาตุกลัวว่าพระบรมาาธาตุที่พระเจ้าแผ่นดิน ทั้งหลายนำเอาไปสร้างพระเจดีย์ไว้ถึงเจ็ดแปดทั่วเมืองนั้นจะมีพวกอันธพาลมาขโมยเอาไปเพราะโอเะพระกัจจปะจึงได้รวบรวมพระธาตุทั้งหมดนั้นเก็บเอาไว้แล้วก็เอามารวมไว้แห่งเดียวขุดลึกลงไปหกสิบอกแล้วก็ให้พระอินทร์พระอินทร์ก็สั่งเทวดามาคุ้มกันไว้ ต่อมาศาสนาล่วงมาถึง1้อยยี่ร้อยสิบหกปีสมัยที่พระเจ้าอาโศกมหาราชพระองค์ก็จึงอยากได้พระบรมธาตุที่จะสร้างพระเจดีย์แปดหมื่นสี่พันองค์นี้ทำไมถึงจะได้พระองค์ก็จึงได้ถามแก่พระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าพระบรมสารีริกธาตุนี้มีที่ไหนบ้าง ่างคนก็่างพากันงงเงินไปหมดก็จึงได้ไปเห็นพระเถระองค์แก่องค์หนึ่งอายุได้เก้าสิบห้าปีอ่าไม่ใช่อายุได้ร้อยยี่สิบปีไม่ใช่เก้าสิบห้าปีพูดผิดไปอายุได้ร้อยยี่สิบปีแต่ก็บอกว่าเมื่อตอนแกเป็นเดนเห็นอาจารย์ไปไหว้ทุกวันทุกวันนะอีตรงนั้นน่าจะเป็นพระบรมธาตุอยู่ พระเจ้าพิมเพรพระเจ้าอโศกก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงให้พระองค์นั้นไปก็ไปขุดที่ไหนได้เจอพระบรมธาตุทั้งแปดทนานครบถ้วนบริบว์อยู่ที่นั่นพระเจ้าอโศกมหารัชมองไปมองมาจึงเห็นท่านจันร์มาท่านหนึ่งว่าต่อไปภายหน้าพญาพระเจ้าแผ่นดินคนจนจะมานําเอาพระบรมสาริกธาตุนี้ไปทรงโมโหหนักหนาว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนรวยแค่ไหนเชอนะ จะหาว่าเราเป็นคนจนได้เอาเถอะแล้วพระเจ้าอาโศกก็จึงได้นําพระาธาตุนั้นมาแล้วก็สั่งให้ประเทศราชทั้งหลายพากันสร้างพระเจดีย์รวมแปดหมื่นสีพันองค์ที่จะนักแจากกขบรมาทาตทั้งหมดแปดทนานเอาไปไว้แก่พระเจดีย์ทั้งหมดพญามารสวัส ด, ดีมันก็เอาอีกแล้วบอกว่าเราจะต้องต่อสู้ไม่ให้ พระเจ้าอโศกนี่ฉลองพระบรมสาริกธาตุนี้ให้ได้เป็นอันขาดเลยทีเดียวเราจะต้องทําลายพิธีนี้ได้แล้วพญามารก็จึงได้ประกาศกล้องว่าพระเจ้าอโศกจะฉลองอพระเจดีย์แปดหมืนสี่พันองค์เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันไม่ได้ถ้าฉลองเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจดวันเมื่อไรฉันจะทําลายพิธีนี้ให้หมด เสียงนั้นออกมาทางอากาศเข้าสวดตระศาสตรพระเจ้าอโศกตกอใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้นำเสียงเหล่านี้ไปกาเรียนแด่พระเถระว่าจะมีพระองค์ไหนที่มีฤทธิ์ต่อสู้กับพญามารได้เพราะข้าพระเจ้าจะฉลองพระเจดีนี้ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะ่ะ พระสอ์ทั้งหลายก็จึงได้ประชุมสองกันขึ้นว่าทำยังไงใครจะมีฤทธิ์ต่อสู้กับพญามารได้ในขณะที่ประชุมนั้นก็มีพญานาคเข้ามาประชุมด้วยทันใดนั้นพระยาคุดก็บินมาจากอากาศไล่ฉกพญานาคพญานาคจะช้ำแลกแผ่นดินก็ช้ำแลกไม่ทนันเพราะว่าเล็บของพระยาคุดใกล้จะถึงแจ็พญานาคแล้วในทันใดนั้นสามเณรอายุได้เจ็ดขวบ แต่ว่าสำเร็จพระอาราหันต์ก็จึงได้ <c oughs> เขาวายกศิลปทำฤทธทัดเอาพญาครุดบินตกไปนอกขอบจักรวาลพญานาคขอบใจไหวาสามเณรแล้วก็ชําแรกแผ่นดินหนีไปถ้าเทละก็จึงบอกว่าได้ตัวแล้วว่าสามเณรนี่เก่งเอาสามเณร น, นี่แหละต่อสู้กันกันกบพญามารคงจะสำเร็จได้ สามเนนบอกว่าผมไม่เก่งอาจารย์ของผมเก่งกว่าผมอาจารย์ของเค อ, อยู่ที่ไหนพระเถระถามอาจารย์ของผมอยู่ใต้สะดือทะเลนนท์แน่ท่านเชียวว่าอุปคุไตไปนิมนต์ท่านมาเถิดก็ถ้าพระเถระจริงใช่พระอระหันต์สององค์ดาลงไปในเธอใต้สะดือทะเลไปนิมนต์พระอุปคุตซึ่งไปสําเร็จอิทธิบาทไปอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลาถึงถึงร้อยปีแล้วพระอุปคุตนั่น เมื่อไปถึงแล้วพระก็พระทั้งสองก็เลอรัถนาขอให้ท่านอุปคุตนี่กลับคืนมาช่วยเถิดเพื่อพระเจ้าอาโศกด้วยพระอุปคุตจึงบอกว่าอ้าวพวกแกไปก่อนเดี๋ยวฉันจะไปทีหลังเมื่อพระสององค์กลับมาที่ไหนได้พระอุปคุตมานั่งเคลื่ออยู่ในถ้ำกลางสงศ์แล้วนี่คือฤทธิ์พระอุปคุตแต่ว่าพระอุปคุตนั้นไม่เคยจะฉันข้าวเลยเป็นเวลาเกือบร้อยปีร่างกายจะเป็นไง จะเหลือแต่หนังหุ้มกระโดกอยู่ได้พระอิทธิบาทตีเท่านั้นพระเจ้าอาโศกมหาราศเห็นอุปคุตเข้าก็โอ้โหอย่างนี้ละ่ะเที่จะไปสู้กับพญามานจึงได้ปล่อยช้างอนามีกําลังเรีย ก, กว่าช้างตกมันไล่คุมมาไล่คุมพระอุปอเพื่อที่จะมาเหยียบพระอุปคุตพระอุปคุตบอกว่าช้างนั้นนเป็นหินลแล้วแหละทีเดียวถ น, นั้นช้างเป็นหินจะแล้ว ถ้าพระเจ้าอาโศกเห็นฤทธิ์ของพระเจ้าอุปคุตตกใจโอโหองค์นี้ฤทธิ์มากเลยมาขอขมาโทษทันใดนั้นพระเจ้าอาโศกก็มหาร่า ก, ก็จึงได้ประกาศให้ประชาชนคนทั้งหลายพากันฉลองเจดีไม่ต้องกลัวใครแล้วเจ็บเตะเจ็บเดือนเจ็ดวันเอาเลยเขาก็ตามประทีปคือหมายความว่าจุดไฟพร้อมกันจุดประทีป พ, พร้อมกันตลอดแปดหม่นสี่พันองค์ อดวงละพันดวงละดวงละสองพันดวงดองละสองพันดวงอย่างงี้แปดหมื่นสี่พันก็เรียก ว, ว่าเหลืองอัลามเทนีพยามานก็แปลงเป็นโคอสุภราชแหวกอากาศออกมาไล่ชนพวกประทิบถูกเทียนเหล่านี้ให้กิดจัดกระจายไปพระเจ้าพระอุปคุต ก, ก็แปลงเป็นเสือไล่กัดไล่กัดงัวกระทิงงัวกระทิงก็เลยแปลงเป็นราชสี พระจะพระอุปคุตก็เลยแปลงเป็นเป็นยักษ์จับ h h. ราชสีราชสีก็แปลงเป็นยักษ์ต่างคนต่างแปลงในที่สุดพระยามันสู้เไม่ไหวก็เลยแปลงแปลงเป็นมานพน้อยเพื่อที่จะเข้ามาหลอกพระอุปคุตว่าผมขอเป็นโูกศิษย์เพื่อ ใ, ให้พระอุปคุตตายใจมาอุปคุตตายใจแล้วจะจับขาอุปคุตเหวี่ยงไปนอกขอบจักรวาลแต่ก็ ถ้าอุปคุตก็รู้เนี่ยไอเด็กน้อยคนนี้ก็คือพยามาลก็เลยเอาหนังหมาเน่ามัดเข้าไปที่คอโอ้โหครานี้เหม็นน่าดูเลยแกยังไงก็แกไม่ไหวไปหาพระอินยศแก่ไม่ไหวไปหาพระพรหมก็แกไม่ไหวไปหาใครก็แกไม่ไหวในที่สุดพระพรหมก็เลยแนะนําบอกว่าต้องไปกลับเคนไปหาอุปคุตนั่นแหละถ้าไม่กลับเคนไปหาอุปคุตในมีทางมีใครแกไดลก้ล่กเสร็จแล้วก็เลยแก้ เน่นก็เลยกลับคืนมาพระอุปคุดเห็นได้ทีเอาแก่ก็แก่เมื่อแก่เสร็จแล้วก็เลยเอาสายราชคตมัดพยามานั้นไว้กับภูเขาสุเนรโรลัดพระเจ้าแผ่นดินอโศกมหาราชจะจะฉลองพระมาหาเจดีแปดหมื่นสี่พันอง7ปี7เดือน7วันเราจะมัดแกไว้ในภูเขานี้7ปี7เดือน7วันแกไม่ต้องไปไหน เตร็จแล้วพระอุปคุตก็ไปนั่งเข้าชานสบายพญามารก็เลยบดินจนหัวเขาแทบจะหลุดแต่ก็ไม่สามารถจะเดินหลุดได้ลองอดควรครางจนกระทั่งในที่สุดก็ไม่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันหรอกพญามารยอมก่อนบอกว่าตอนนี้ไปข้าไปเจ้าขอปรารถนาเป็นโพธิยานจะเป็นพระพุทธเจ้าตัดสรู้ในอนาคตการ เมื่อพระอุปคตได้ยินก็เลยรีบไปแก้เพราะว่าเป็นพระโพธิสัตว์เสียแล้วแล้วก็พยามาณ น, นั่นก็เลยมาเป็นโูคติดพระอุปครแล้วก็พระ อ, อุปเคตเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ให้พยามาณ น, นี่น่ะอธิฐานรูปพระพุทธเจ้าให้ดูหน่อยพยามาณก็บอกว่าเวลาที่ผมอธิฐานเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วท่านอย่าใดกราบทา่านนะก็รีบกราบ พญามารก็รีบหายตัวบอกว่าบอกแล้ววอกไม่กลาบทําไมถึงกลับในที่สุดพระอุปคุตก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้กราบแก่ไว้ท่านจันกทพระพุทธเจ้าทั้งหาเรื่องก็เลยจบลงแต่เพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายวันนี้ก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วจงพากันจดจํานําไปพินิจพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบประการใดประพุติไปตามก็จะประสบความสุขความจเจริญงอกงาม ในธรรมเวนัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทีภาราตรีการดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประกาลชนนี้ยะถาบริวาหาภุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปฏิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิ ช, ชตูสะเพปุเรนตุสังกัปปา จันโทมนรสโสยาามเนโชติระสโสยทาสัพพิตโยวิวัตจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีธีฆายโกภวะอภิวาทนาเสริสนิจังวุท ธ, ธาปะจายิโนจัตาโรโอธมาวัตททันติอายุวันโนสุขังพระลัง